เราคงทราบดีว่าอริยสัจข้อแรกนะก็คือทุกข์ทุกข์นี่เป็นข้อแรกที่เป็นความจริงอย่างแรกที่พระพุทธเจ้าได้นำมาแสดงแล้วก็เป็นเป็นส่วนสำคัญในบทธรรมวัสดมน้ำเช้านะเรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมา เราก็เริ่มวันใหม่ด้วยการนอกจากระลึกถึงพตัตนาไตรแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นอริยสัจข้อแรกที่ชาวพุทธต้องรู้จักกิจหรือว่าหน้าที่ต่ออริยสัจข้อแรกคือหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือการรู้นะรู้ในเรื่องทุกข์คํา่ารู้ในอริยสัจข้อแรกเนี่ยมันมีความหมาย หลายอย่างอย่างแรกก็คือว่ารู้ว่าทุกขันคืออะไรอย่างที่ก็ได้มีการจำแนกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความลำลายลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจอันเนี้ยคือทุกข์แต่ถ้าพูดเท่านี้ก็ดูเหมือนว่าง่ายไปเพราะว่าใครๆก็รู้นะว่าไอ้ความโศกความลำลายลาพันไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์แต่รู้ที่ลึกลงไป ก็คือรู้ว่ารู้เวลามันทุกเกิดขึ้นกับเราโดยเพราะเวลาเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยคนเราเวลาทุกเกิดขึ้นที่ใจมักจะไม่รู้นะมักจะไม่รู้ตัวเพราะมันมัวแต่ครลาครวนมันมัวแต่จมอยู่ในความทุกข์หรือเวลาโกรธนะก็มัวแต่คอยคิดหาทาง เล่นงานแก้แค้นตอบโต้คนที่ทำให้เราโกรธใจนี่มันออกไปนอกตัวหรือไม่ก็เพ่งเข้าในคือจมอยู่ในในความทุกข์นั้นก็เลยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าทุกข์หรือว่าไม่ไม่รู้สึกตัวในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาเครียดใครมาทักว่าเราเครียดเราก็อาจจะปฏิเสธเหมือนกับคนเมาคน คนบ้านี่ก็ไม่ไม่ยอมรับประตเองเมาหรือเรื่องบ้าทั้งทั้งที่เจอทุกข์เข้าไปเต็มประตูเพราะมันครอบงำครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวก็ถดถอยไปเมื่อถดถอยไปก็จะไม่รู้หรอกว่าตัวเองกําลังทุกข์อยู่อันนี้ความรู้การรู้ในเรื่องทุกข์นี้ยังรวมไปถึงการที่ได้ตระหนักหรือได้ได้เห็นเลยว่า ทุกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นที่เนี่ยที่ขันธนะ์รูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเกิดความดับนะความไม่สบายกายไม่สบายใจประสบสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจพัดพาจากสิ่งที่พอใจทั้งหมดเนี่ยสเสเประการเนี่ยมันก็ มันลงที่ตัวขันทคือเกิดที่ขันทหรือว่าเกิดกับขันทก็ต้องรู้แต่ว่าทุกเนี่ยมันเกิดที่ขันทหรือว่าเกิดกับขันทมันไม่หนีไปไหนมันไม่มีทางหนีจากนี่ไปพ้นได้เมื่อเวลาทุกนะมันก็ทุกที่ตรงนี้เช่นความเจ็บความป่วยก็เกิดกับรูปนะหรือว่าความโศกความ ไม่สบายการไม่สบายใจก็เกิดที่ตรงนี้โดยเพราะตัวเวทนาแล้วก็ตัวสังขารประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจตรงไหนที่เป็นที่รักที่พอใจที่พลัดพรากก็ตรงนี้แหละที่ขันห่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการการรู้ทุกเนี่ย ก็คือการรู้ว่าทุกข์นี่มันเกิดที่ขันธ์ห้าแล้วครั้นี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าทุกข์นี่มันเกิดที่ขันธ์ห้าก็ก็ต้องมาฝึกจิตให้มาดูหรือให้มาเห็นที่ขันธ์ห้านี้เองไม่ต้องไปเห็นที่ไหนเหตุขันธ์ห้าที่มันประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรานี่แหละก็คือให้มาให้มาดู ให้มาเห็นที่กายกับใจนั่นเองขัน5้านี้ก็ถ้ารวมย่อๆถ้ารวมหรือสรุปหรือกล่าวโดยย่ อ, อ ก, ก็คือกายกับใจนะอันนี้พูดแบบให้เห็นชัดๆนะกายกับใจก็มาดูที่กายกับใจนะันถึงจะเห็นทุกนะที่กายกับใจได้ทุกนี้หน้าที่ของเราก็มีเพียงแต่การรู้เฉยๆ ยังไม่ต้องละไอการที่จะละทุกไอการที่จะลานี่ต้องไปละที่ตัวสมุทยัยซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สองก็คือสาเหตุแห่งทุกข์นะมันลากันที่ตรงนี้เหมือนกับว่าเราเห็นกิ่งเห็นใบเห็นเห็นลำต้นแล้วเนี่ยถ้าจะตัดนะถ้าจะจัดการนี่ต้องไปจัดการที่ลาก ส่วนกิ่งและใบรวมทั้งลำต้นนี่มีไว้เพื่อให้รู้รู้และสามารถเทียบสาไปถึงรากได้แล้วก็ไปตัดกันที่รากนั้นทุกนี้ไม่ได้มีไว้ให้ละนะแต่มีไว้ให้รู้ในเวลาเราปฏิบัตินี่ก็จะก็ให้เราลึกตรงนี้ไว้ว่าเมื่อทุกเกิดขึ้นเนี่ยขอให้เรารู้เฉยๆนะอย่าไปพยายามที่จะไปละ ถ้าจะเป็นละ ก, ก็เป็นละ ก, กันที่สาเหตุแห่งทุกข์เลยนะซึ่งก็คือตัวตัณหาอุปาทานนั่นเองการรู้ทุกเนี่ยนะก็คือรู้ขันห้านั่นเองเขาถึงบอกเนี้ว่าว่าดุย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนะอุปาทานขันทั้งห้านะหรือว่าตัวขันห้านี่แหละนะคือตัวทุกข์ไม่ว่าจะ อาการอะไรที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าทุกข์เนี่ยมันก็มาเกิดที่ตรงนี้ทั้งนั้นแหละขันท่ารู้ทุกข์ก็คือรู้ขันท่ารู้ทุกข์คือรู้ว่าทุกข์มันเกิดกับขันท่าเพราะฉะนั้นก็มาดูที่ขันท่านั่นแหละรู้จนกระทั่งเห็นว่าขันท่านั้นไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็เป็นการรู้ที่ละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งรู้ว่าขันท่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ตรงนี้มันยากและนะตรงนี้มันยากแต่ว่าถ้าเรามีสตินะมีสติรู้ตัวให้การที่จะไปสำคัญมั่นหมายว่าขันท่าเป็นตัวตนมันก็ลดลงไปความสำคัญมั่นหมายเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเกิดเท่จะระพุทธเาเรยรธธรว่าตัวกูของกูขึ้นเนี่ย มันก็มีที่ตั้งอยู่ไม่ได้เวลาเราเดินอย่างมีสติเวลาสร้างจังหวะอย่างมีสติไอความรู้สึกว่าฉันเป็นน้นเป็นนี่หรือว่าฉันกําลังเดินอยู่เนี่ยมันมันมีไม่ได้ใครที่เดินแล้วก็ไปกําหนดว่าฉันกําลังเดินใครที่กําลังสร้างจังหวะแล้วไปกดว่าฉันกําลังสร้างจังหวะอันนั้นไม่ถูกแล้ว แต่ถ้าเราเดินยังมีสติเนี่ยมันไม่มีตัวเราเป็นผู้เดินนะตัวเราเป็นผู้สร้างจังหวะมันมีแต่การสร้างจังหวะเฉยเฉยมันมีแต่การเดินเฉยเฉยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมานะที่ใจหรือที่กายก็ตามนะถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวฉันเป็นผู้เจ็บเป็นผู้ทุกขนะ์ แต่เพลิดเมื่อไหร่มันก็มีตัวชันขึ้นมามันปรุงขึ้นมานะเป็นชันผู้เจ็บชันผู้ทุกข์นะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกลงไปแต่ว่าสติทาหน้าที่นี้จริงๆนะก็คือทำให้ความสำคัญบั่นหมายใน<ม>ในตัวตนหรือการปรุงเป็นตัวกูของกูนี่มันมันไม่เกิดขึ้นทันทีที่ตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียง คือเกิดภาษาขึ้นมาแล้วเรามีสตินะมันก็มีแต่การเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้ได้ยินนะแต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราไม่มีสติก็ปรุงไปนะจากภาษาก็เป็นเวทนาก็ไปยึดเอาเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเรานะเช่นปวดเมื่อยขึ้นมา พอไม่มีสติไม่เห็นความปวดความเมื่อยก็ไปปรุงเป็นว่าฉันเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะแล้วเมื่อเกิดความปวดความเมื่อยแล้วมันก็เกิดความอยากที่จะกาจัดไอ้ความปวดความเมื่อนั้นออกไปแทนที่จะเห็นความอยากนั้นก็ไปปรุงว่าฉันเป็นผู้อยากนะตรงนี้ก็ปรุงอันนี้ปรุงก็เป็นเรื่องยืดยาว แต่ถ้าเรามีสติมันก็มีแต่อาการเห็นก็รู้ว่าเห็นปวดเมื่อยก็เห็นความปวดความเมื่อยหรืออาจจะไม่ทันที่จะเห็นความปวดความเมื่อยไปรู้สึกเสร็จแล้วว่าฉันเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยก็มีความอยากขึ้นมาที่จะทำโน่นทำนี่ก็ยังเห็นทันได้อยู่แต่ก็จะยากแล้วพะตันหานี่มันก็เริ่มมีอาการที่เข้มข้นขึ้นมาแล้วยิ่งไปยึดคื อ, คอเกิดอุปาทานขึ้นมาคราวนี้ก็ หมดเลยนะให้ความอยากความยึด่แมันตัวตัวที่ทำให้สติยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมันถลำเข้าไปนะในความหลงเสียแล้วความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้สติสัมปชัญญะคือความระลึกได้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่พอมันได้ระบายแล้วถึงค่อยรู้สึกตัว เช่นอยากจะเล่นงานเขาพอเล่นงานเสร็จแล้วด่าเขาเสร็จแล้วหรือว่าทำร้ายเขาเสร็จแล้วถึงค่อยมารู้ตัวอย่างคนเมานี่ทะเลาะต่อยตีกันด้วยความไม่รู้ตัวจนกระทั่งถึงขั้นทำร้ายกันฆ่ากันตายพอตายแล้วถึงค่อยสั่งเมาถึงค่อยรู้ตัวว่าตายแล้วฉันทำอะไรลงไปนี่อ่านข่าวนี้แหละ หาทางหนีทีไรแล้วเริ่มก็จะหนีแล้วจะไม่มาเมาแออยู่ข้างๆข้างๆศพคนตายมันไม่รู้ตัวหรือว่าทําร้ายคนที่เรารักไปแล้วด้วยความโกรธถึงค่อยมารู้ตัวความรู้ตัวมันเกิดขึ้นเมื่อได้ทําไปตามความอยากหรือทำไปตามความหลงความโกรธแล้วถึงค่อยมารู้ตัวอสติที่มาอย่างนั้นที่เกิดขึ้นอย่างนั้นมันมันไม่ทันการ แล้วส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอย่างนี้กันนะคือพอได้ระบายอารมณ์ไปแล้วได้ทําตามอารมณ์แล้วถึงค่อยมารู้ตัวเพราะว่ามันพอไออารมณ์ที่มันระบายมันไปแล้วที่มันเคยกดข่มความรู้สึกตัวมันก็หายไปสติก็เลยเรียกว่าอะไรเรียกว่าเลย เ, ยเลยพเยื้ขึ้นมาแต่แตะกอนเพเยื้ไม่ได้เพราะมันถูกกดเอาไว้ได้วยความอยากด้วยความโกรธ จากนี้เราต้องพยายามนะเราการที่เรามานี่เพื่อให้มันมาทันหรือมาเห็นอาการเหล่านี้ก่อนนะก่อนที่มันจะลุกลามขยายใหญ่โ ต, ตถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อย่างที่ว่าคือไอ้ไอ้ความที่จะไปไปเกิดความสาคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่หรือว่าฉันโกรธนะฉันเป็นผู้โกรธนะฉันทุกข์ฉันเป็นผู้ทุกข์นี่มันมันไม่มี สตินี่ถึงเรียกเป็นอุบายเป็นกลวิธีในการสลายความสําคัญบหมายตัวตนที่สําคัญมากพรนะเจ้าได้ตรัส ก, กับภัยะภัยยะนี่ก็เป็นนอกบวชนอกาศาสนาที่หันมาหันมาศรัทธานในพระเจ้เาก็มาขอให้พระเจ้าแสดงธรรมในขณะที่พระองค์กํลาลังบินทบาทที่แลพกพระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะแสดงธรรมกลาลังบินทบาทอยู่แต่เช้าเลย พหิยะก็เดินทางมาข้ามคืนมาอย่างกระหึกกระหอบด้วยความอยากที่จะได้ฟังธรรมเรียกว่ามีไฟแรงมากมีความมุ่งมั่นมากพระองค์ก็กปฏิเสธที่จะแสดงธรรมให้พหยิยะเพราะว่ายัางไม่ใช่เวลาแต่พหิยะก็อยากจะรู้มากแต่พอได้ปฏิเสธได้สองครั้งพระองค์ก็ได้แสดงธรรมื่องจากปฏิเสธได้จนกระทั่งพหิยะนี่ก็ สงบลงละผูเจ้ากุเรศแสดงธรรมว่านี่เมื่อตาเห็นรูปผู้ดินเสียงก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้รับรสหรือสักแต่ว่ารู้รู้ในอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีคือจะไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกนั้นและระหว่างในโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์อาบูเท่านี้พระยาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ทำเร็วแต่ว่าก็ตายเร็วเหมือนกันคือว่าพอจะรีบลาพรุทธเจ้าจะไปบวชนะ mm hmm. ก็โดนโควิดตายรู้เร็วแล้วก็ตายเร็วนะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือว่าที่พระองค์ได้ตัดไวนะ้ว่าเมื่อเธอรู้เมื่อเธอมีสติคือสักตวเห็นสักตวได้ยินเนี่ยเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มนะีตัวเธอเนี่ยคือความสัมคันธหมายในในตัวกูของกูนั่นเอง สติถึงเป็นเป็นสิ่งสาคัญมากนะที่จะช่วยทาให้เราเนี่ยได้ระวางจากความยึดมั่นสำคัญหมายเพราะว่าความทุกข์ทั้งมวลนีก็เกิดความสำคัญยึดมั่นในเรื่องตัวกูของกูนั่นเองมีตัวกูแล้วก็เป็นก็เกิดของกูขึ้นมาได้ของกูนี่มันคือการยึดยึดเป็นหมดนะยึดเอาสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็ยังยึด นะสิ่งดีนี่ใครๆก็รู้อยู่แล้วมันน่ายึดนะแต่สิ่งที่ไม่ดีอ่ะทไมถึงไปหยึดได้ก็เพราะหลงนั่นเอง mm hmm. เช่นไปยึดเอาความโกรธเป็นของเรานะแล้วความโกรธก็คือเวลาเจ็บป่วยก็คลิ้นก็บอกว่าเนี่ยความปวรเป็นของเราความเจ็บเป็นของเรามันไม่ได้คิดขึ้นมานะแต่มันมันปรุงขึ้นมาในใจเลยแม้กระทั่งศัตรูนี่ก็ไปยึดว่าเป็นของเราทั้งที่มันไม่เห็นน่าจะยึดเลยความโกรธก็ไม่น่ายึด นะความเจ็ความปวดก็ไม่นายึดแต่พอเพลิสติเมื่อไหร่มันก็ไปยึดเอาเพาเป็นของเรานะความเครียดของเราความโกรธของเราแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันเนี้ยมันเพราะความไม่มีสติจริงๆมันมีความอวิชชาเป็นพื้นอยู่แล้วนะแต่ว่าพอไม่มีสติเข้าไปด้วยก็หนักเข้าไปใหญ่ทีนี้ถ้าเราถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันก็เรียกว่า พาเราเข้าใกล้ความพ้นทุกข์คือเข้าใกล้นิพานพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดเมื่อเห็นรูปนะแล้วก็ไม่มีกําหนัดในรูปไม่มีความยึดมั่นในรูปนั้นนะบันทิกกล่าวเลยว่าผู้นั้นเนี่ยเข้าใกล้นิพานไม่ใช่ใกล้นิพานเดียวใวกล้พระพุทธเจ้าด้วยถ้ามีสติอย่างเดียวนะถือว่าใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่เป็น อดีตเจ้าชายสิท ธ, ธทัตถะที่ที่เคยเดินอยู่ในประเทศอินเดียนะแต่ว่าเป็นแก่นของพระพุทธเจ้านะพระองค์เคยตรัสว่าแม้ภิกษุจะอยู่ห่างไกเลเราถึงร้อยโยชนะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ปราศจากความโรคเป็นผู้ที่ไม่กำหนัดในกามไม่มีจิตพยาบาทไม่มีจิตคิดลายข่ายเป็นผู้มีสติตัต้งมั่นมีความรู้สึกตัวสำรวมในอินทรีย์ พู้นั้นก็ถือว่าได้อยู่ใกล้เราตถาคตเ mm hmm. พราะผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือการมีสตินี่ก็ถือว่ามีสติก็ดีรู้สึกตัวก็ดีหรือว่าสํารวมอินทรีย์ก็ดี๋ยวนี้คืออันเดียวกันเ mm hmm. พราะถ้ามีสติของรู้สึกตัวก็ตามมาไอความสํารวมอินทรีย์คืออินทรีย์สังว่คือการที่รักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดีนลายในเมื่อตา เป็นูผู้ดินเสียงอันนี้ก็คือสติก็จะทำให้เป็นผู้ที่ใกล้ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะฉั้นเวลาเรามีสติเนี่ยเราถึงได้ทำที่เป็นเครื่องรักษาใจที่มีค่ามากทั้งช่วยให้ได้ใกล้พระพุทธเจ้าและทั้งช่วยให้ได้ใกล้พันิพาน์านะเพราะว่าไอตัวตนนี่มันก็จะไม่มีที่ตั้งความสำคัญม่นหมายว่าเป็นตัวกูของกูไม่มีที่ตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นไม่เรียกว่าจำเป็นเลยทีเดียวที่จะต้องให้มีสติรู้ในกายและใจรู้ในอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจคือเพียงแค่การรู้ทุกที่เกิดกับขัน5นะ้ารู้ทุกที่เกิดกับขันห้าหรือว่าการได้เห็นอาการของขันห้าถ้าเห็นด้วยสติ มันก็จะช่วยพาเราเข้าใกล้นิโรธเป็นลำดับเพราะว่าการเห็นนั้นก็เป็นเป็นองค์มรรคอยู่ในตัวและถ้าเราเห็นนะไการที่จะสาวไปถึงต้นตอไอคือตัวกูของกูซึ่งเป็นสมุทัยเนี่ยมันก็ก็เป็นไปได้นั่นยังได้ว่าอริยสัจสีประการเนี่ยนะมันก็เริ่มต้น แล้วก็รวมลงอยู่ตรงที่การที่ได้เห็นชนิดที่เราเห็นไปถึงตัวเห็นไม่ถึงอาการที่เกิดกับขันห้าหรือเกิดที่ขันห้ามันรวมลงตรงนั้นหมดเลยตัวอริยสัจ4ี่ประการนะมเมื่อเรารู้ทุกตัวสมุทยัยตัวมรรคหรือนิโรดนี่ก็เกิดขึ้นเห็นสมุทยัยมันก็ละสมุทัยได้ และเมื่อละสมุทรไทยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่มีที่ตั้งมันก็เรียกว่าเข้าใกล้หรือว่าได้ทำนิโรธให้แจ้งเป็นลำดับไปการที่เรามารู้ทุกด้วยสติถึงเป็นเรื่องสำคัญมากก็สิ่งที่เราทำนี่แหละมันก็เป็นการพยายามที่ทำให้กิดในอริยสัจ ท, ทั้งสีประการนีนน้เป็นจริงขึ้นมาได้